7. อธิกรณะสมถะแม่เจ้าทั้งหลายทมคืออธิกรณะสมถะเจ็เหล่านี้มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับ1242เพื่อระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ววงเล็บหนึ่งพึงให้สั ม, มุขาวิไนวงเล็บสองพึงให้สติวิไนวงเล็บสาพึงให้อมูระหาวิไน วงเล็บสี่พึงให้ปฏิญญาตกระณะวงเล็บห้าพึงให้เยพุยะิกาวงเล็บหพึงให้ตัดสะปาปิยสิกาวงเล็บเจดพึงให้ตินนวัตถารกาวินยัย